มิรินทับปัญหาวัคที่หนึ่งปัญหาที่หนึ่งถามชื่อครั้งนั้นพระเจ้ามิรินได้เสด็จไปหาพระนาคเษนแล้วทรงปราศัยพอให้เกิดความร่าเริงยินดีแล้วก็ประทับนั่งฝ่ายพระนาคเษนก็แสดงความชื่นชมยินดีทําให้เป็นที่พอพระทยของพระเจ้ามิริน ลำดับนั้นพระองค์จึงตัดถามปัญหาข้อแรกต่อพระนาคเสนขึ้นว่าข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าโยมประสงค์จะสนทนาด้วยพระนาคเสนถวายพระพรตอบว่าเชิญสนทนาเถิดมหาบพิตรอัตมภาพใครจะฟังโยมสนทนาแล้วขอพระผู้เป็นเจ้าจงฟังเถิด อัตมภาพฟังอยู่แล้วมหาบพิตรเชิญเจรจาเถิดพระผู้เป็นเจ้าได้ฟังว่าอย่างไรก็มหาบพิตรเจรจาว่าอย่างไรโยมจะถามพระผู้เป็นเจ้าจงถามเถิดมหาบพิตรโยมถามแล้วอัตมภาพก็แก้แล้ว พระผู้เป็นเจ้าแกว่าอย่างไรก็มหาพพิธถามว่าอย่างไรเมื่อพระเทระตอบอย่างนี้แล้วพวกยโยนกเสนาทั้งห้าร้อก็เป่งเสียงสาธุการถวายพระนาคเสนแล้วกลับทูลพระเจ้ามิรินว่าข้าแต่มหาราชเจ้าคราวนี้ขอพระองค์จงตัดถามปัญหาต่อไปเถิดพระเจ้าค่า เริ่มมีปัญหาเพราะชื่อในกาลครั้งนั้นพระเจ้ามิริมจึงตัดถามปัญหาต่อพระนาคเสนยิ่งขึ้นไปว่าข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าธรรมดาผู้จะสนทนากันเมื่อไม่รู้จักนามและโคตของกันและกันเสียก่อนเรื่องสนทนาก็จะไม่มีขึ้นเรื่องที่พูดกันก็จกไม่มั่นคงเพราะฉะนั้น โยมจึงขอถามพระผู้เป็นเจ้าว่าพระผู้เป็นเจ้าชื่ออะไรพระนาคเส์ตอบว่าขอถวายพระพรเพื่อนพมจันทร์ทั้งหลายเรียกอัตมาภาพว่านาคเส์ส่วนมารดาบิดาเรียกอัตมาภาพว่านาคเส์ก็มีวีระเสนก็มีสุระเส์ก็มีสีหเสนก็มี ก็แต่ว่าชื่อที่เพื่อนพมจันท ร, ร์เรียกอัตมภาพว่านาเกษนี้เพียงเป็นแต่ชื่อบัญญัติขึ้นเพื่อให้เข้าใจกันได้เท่านั้นไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนผู้ใดจะอยู่ในชื่อนั้นลำดับนั้นพระเจ้ามิรินจึงตัดขึ้นว่าขอให้ชาวโยนกทั้งห้าร้อยนี้และพระพิสุทสงฆ์แปดหมื่นอ ง, งนี้ จงฟังถ้อยคำของข้าพเจ้าเถิดพระนาคเสณนี้กล่าวว่าเพื่อนพมจันท ร, ร์เรียกอัตมภาพว่านาคเสณก็แต่ว่าไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนอันใดอยู่ในคาว่านาคเสณนั้นดังนี้ข้าแต่พระนาคเสณถ้าไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาอยู่แล้วบุคคลเหล่าใดถวายบาตรจีวร อาหารที่อยู่อาศัยยารักษาโรคและวัตถุที่เก็บเพสัตไปแล้วบุญกุศลก็ต้องไม่มีแก่บุคคลเหล่านั้นนะสิผู้ใดผู้หนึ่งคิดว่าจะฆ่าพระผู้เป็นเจ้าโทษปานาติบาตก็เป็นอันไม่มีนะสิถ้าบุคคลตัวตนเราเขาไม่มีอยู่แล้วก็ใครเราจะถวายจีวร อาหารที่อยู่ยาและที่ใส่ ย, ยาแก่พระผู้เป็นเจ้าใครเล่าจะบริโภคสิ่งเหล่านั้นใครเล่ารักษาศีลใครเล่ารู้ไปในพระไตรปิฎกใครเล่าเจริญภาวนาใครเล่ากระทําให้แจ้งซึ่งมักผลนิพพานใครเล่ากระทําปานาติบาศใครเล่ากระทําอธินาทาน ใครเล่าประพฤิกาเมสูมิช า, าจารใครเล่ากาวมสาวาดใครเล่าดื่มสุราเมรัยใครเล่ากระทำอนันตริยกรรมทั้งห้าเพราะฉะนั้นถ้าสัตว์บุคคลตัวตนไม่มีแล้วกุศลก็ต้องไม่มีอกุศลก็ต้องไม่มีพุทธรรมหรือผู้ให้ทำซึ่งกรรมดีกรรมชั่วก็ต้องไม่มี ผลแห่งกรรมดีกรรมชั่วก็ต้องไม่มีคาแต่พระนาคเษนผู้ใดฆ่าพระผู้เป็นเจ้าโทษปานาติบาตก็ไม่มีแก่ผู้นั้นเมื่อถืออย่างนั้นก็เป็นอันว่าอาจารย์ของพระผู้เป็นเจ้าก็ไม่มีอุปชาของพระผู้เป็นเจ้าก็ไม่มีอุปสมบทของพระผู้เป็นเจ้าก็ไม่มีคำใดที่พระผู้เป็นเจ้ากล่าวไว้ว่า พวกเพื่อนพมจันทร์เรียกอัตมภาพว่านาคเษนอะไรเป็นนาคเสนในคำนั้นเมโยมถามพระผู้เป็นเจ้าอยู่อย่างนี้พระผู้เป็นเจ้าได้ยินเสียงถามอยู่หรือไม่ถามส่วนต่างๆของร่างกายพระนาคเษนตอบว่าขอถวายพระพรอัตมภาพได้ยินเสียงถามอยู่ ถ้ า, าพระผู้เป็นเจ้าได้ยินเสียงถามอยู่คำว่านาคเกษณก็มีอยู่ในชื่อนั้นนะสิไม่มีมหาบาพิษข้าแต่พระนาคเกษณถ้าอย่างนั้นยงขอถามต่อไปว่าผมของพระผู้เป็นเจ้าหรือเป็นนาคเกษณไม่ใช่มหาบาพิษคนหรือเป็นนาคเกษณไม่ใช่ เล็บหรือเป็นหน้าเกษตไม่ใช่ฟันหรือเป็นหน้าเกษตไม่ใช่หนังหรือเป็นหน้าเกษตไม่ใช่เนื้อหรือเป็นหน้าเกษตไม่ใช่เอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับพังผืดไตปอด สซใหญ่สซน้อยอาหารใหม่อาหารเก่าดีสเสลดน้องเลือดเหงื่อมันข้นน้ำตาเปียวมันน้ำลายน้ำมูกไขข้อน้ำมูดสมองศีรษะเหล่านี้อย่างใดอย่างหนึ่งหรือเป็นหน้าเคเซนไม่ใช่มหาวพิษ ถ้าอย่างนั้นรูปหรือเวทนาหรือสัญญาสังขารวิญญาณยังใดอย่างหนึ่งหรือเป็นนาคเสนไม่ใช่มหาบพิษถ้าอย่างนั้นจักขุท่าและรูปทตาโสตะทตาและสัทธะทาตคานาท่และคันทะทตาชิวหาทตาและลดทตากายทตาและผุดทพทะท่ มโนธาตุเหล่านี้อย่างใดอย่างหนึ่งหรือเป็นนาคเสณไม่ใช่มหาภพิธถ้าอย่างนั้นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือเป็นนาคเสณไม่ใช่มหาภพิธถ้าอย่างนั้นสิ่งที่นอกจากรูปเวทนาสัญญาสังขาร วิญญาณหรือเป็นนาเคเษนไม่ใช่มหาพิฏค่าแต่พระผู้เป็นเจ้าเมื่อโยมถามพระผู้เป็นเจ้าอยู่ก็ไม่ได้ความว่าอะไรเป็นนาเคเษนเป็นอันว่าพระผู้เป็นเจ้าพูดหลอกแหละพูดมุสาวาดพระนาเคเสนกล่าวแก้ด้วยราชรสเมื่อพระเจ้ามิรินตัดอย่างนี้แล้ว พระนาคเสนองค์อรหันผู้สำเร็จปฏิสัมพิธาญาณผู้ได้อบรมเมตตา ม, มาแล้วจึงนิ่งพิจารณาซึ่งวาระจิตของพระเจ้ามิรินอยู่สักคู่หนึ่งแล้วจึงกล่าวขึ้นว่ามหาปพิธเป็นผู้มีความสุขมาแต่กำเนิดมหาปพิธได้เสด็จออกจากพระนครในเวลาร้อนเที่ยงวันอย่างนี้ มหาอัตมภาพได้เสด็จมาด้วยพระบาทก้อนกวดเห็นจะถูกพระบาทให้ทรงเจ็บปวดพระกายของพระองค์เห็นจะทรงลำบากพระหฤทัยของพระองค์เห็นจะเร่าร้อนความรู้สึกทางพระวรกายของพระองค์เห็นจะประกอบกับทุกข์เป็นแน่เพราะเหตุไรอัตมภาพจึงว่าอย่างนี้เพราะเหตุว่า มหาพิฏฐ์มีพระหฤทัยดุร้ายได้ตัดพระวาจาดุร้ายมหาพิฏฐคงได้สเสวยทุกขเวทนาแรงกล้าอัตมาจึงขอถามว่ามหาพิฏฐ์เสด็จมาด้วยพระบาทหรือด้วยราชพหนะอย่างไรพระเจา้ามลินจึงตัดตอบว่าข้าแต่พระนาคเซโยมไม่ได้มาด้วยเท้าโยมมาด้วยรถต่างหาก พ่านาคเซนเทระจึงกล่าวประกาศขึ้นว่าขอพวกโยนกทั้งห้าร้อกับพระภิกษุ80ดหมื่นองนี้จงฟังถ้อยคาของข้าพเจ้าคือพระเจ้ามิรินนี้ได้ตัดบอกว่าสเสด็จมาด้วยรถข้าพเจ้าจะขอถามพระเจ้ามิรินต่อไปกล่าวดังนี้แล้วจึงถามว่ามหาพิษตัดว่าสเสด็จมาด้วยรถ จริงหรือพระเจ้ามิรินตัดตอบว่าเออข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าโยมว่ามาด้วยรถจริงพระเทระจึงซักถามต่อไปว่าถ้ามหาปพิษเสด็จมาด้วยรถจริงแล้วขอจงตัดบอกอัตมภาพเถิดว่างอนรถหรือเป็นรถไม่ใช่พระผู้เป็นเจ้าถ้าอย่างนั้น เารถหรือเป็นรถไม่ใช่ถ้าอย่างนั้นรถมีอยู่ในเผ่าหรือไม่ใช่ถ้าอย่างนั้นร้อรถหรือเป็นรถไม่ใช่ถ้าอย่างนั้นรถมีอยู่ในร้อรถหรือไม่ใช่ถ้าอย่างนั้นไม้คํำรถหรือเป็นรถไม่ใช่ ถ้าอย่างนั้นกรงรถ ห, หรือเป็นรถไม่ใช่ถ้าอย่างนั้นเชือกหรือเป็นรถไม่ใช่ถ้าอย่างนั้นรถมีอยู่ในเชือกหรือไม่ใช่ถ้าอย่างนั้นคันปะตกักหรือเป็นรถไม่ใช่ถ้าอย่างนั้นรถมีอยู่ในคันปะตัก ห, หรือไม่ใช่ ถ้าอย่างนั้นแอกรถหรือเป็นรถไม่ใช่ถ้าอย่างนั้นรถมีอยู่ในแอกหรือไม่ใช่ขอถวายพระพรอัตมาภาพไม่เล็งเห็นว่าสิ่งใดเป็นรถเลยเป็นอันว่ารถไม่มีเป็นอันว่ามหาพพิธตัดเลาะแหลริ้วไหล มหาปิฏเป็นพระราชาผู้เลิศในชมพูทวีปนี้เหตุไรมหาปิฏจึงตัดเลาะและเรียวไหลอ ย, อย่างนี้เมื่อพระเถระกล่าวอย่างนี้แล้วพวกยโยนกขราชบริพานทั้งห้าอนั้นก็พากันเป่งเสียงสาธุการขึ้นแก่พระนาคเสณเถระแล้วกราบทูลพระเจ้ามิลินขึ้นว่า ขอมหาราชเจ้าจงทรงแก้ไขไปเถิดพระเจ้าค่าพระเจ้ามิรินจึงตัดขึ้นว่าข้าแต่พระนัเกเซนโยไม่ได้พูดเหราะและเหลวไหลการที่เรียกว่ารถนี้เพราะอาศัยเครื่องประกอบรถทั้งปวงคืองอนรถเผารถรอรถไม่คำรถกลงรถเชือกขับรถเหล็กปะตักตลอดถึงแอกรถ มีอยู่พร้อมจึงเรียกว่ารถได้พระเทระจึงกล่าวว่าถูกแล้วมหาวพิธข้อที่อัตมาภาพได้ชื่อว่าน่าเกษณ์ก็เพราะอาศัยเครื่องประกอบด้วยอวัยวะทุกอย่างคืออาการ32มีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นต้น อันจำแนกแจกออกไปเป็นขันธ์ธาตุอายตนะทั้งปวงข้อนี้ถูกตามถ้อยคําของนางปตาจาราภิกษุณีผู้เป็นพระอรหรันต์เก่าขึ้นในที่เฉพาะพระพักของสมเด็จพระผู้มีพระภาคว่าอันที่เรียกว่ารถเพราะประกอบด้วยเครื่องรถทั้งปวงชั้นใดเมื่อขันธ์ทั้งหลายมีอยู่ก็สมมติเรียกกันว่าเป็นสัตว์บุคคลตัวตน เราเขาฉันนั้นดังนี้ขอถวายพระพรพระเจ้ามิรินทรงฟังแก้ปัญหาจบลงน้ำพระไทยของพระบาทเท้าเธอปีดาปาโมตออกพระโอษฐัดซองสาธุการว่าสาธุพระผู้เป็นเจ้าช่างแก้ปัญหาได้อย่างน่าอัศจรรย์กล่าวปัญหาเปรียบเทียบอุปมาด้วยปฏิพานอันวิจิตยิ่ง ให้คนทั้งหลายคิดเห็นกระจ่างแจ้งถูกต้องดีแท้ถ้าพระพุทธองค์ยังทรงพระชนอยู่ก็จะต้องทรงสาธุการเป็นแน่